พุทวาสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะได้ยินพุทวาด ส, สวัสดีดิฉันเชื่อในตอนนี้นะคะว่าก็ต้องเป็นรายการนี้รายการเดียวรายการที่เรานําเสนอพุทธวัจนะคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งธรรมและวินยัยเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตของพวกเราคือเป็นผลดีในเบื้องต้นมากกว่านั้นนี่ สามารถพาเราออกจากความทุกข์ทั้งปวงได้เลยถ้าหากว่ามุ่งมั่นเดินตามมรรคหรือว่าตามเหตุที่จะทําให้เราพ้นจากทุกนะคะวิธีที่จะทําให้เราพ้นจากทุกซึ่งพระพุทโ์ตรัสรู้แล้วมาตอนนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะให้ท่านได้พบกับการปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะกับพระมาร์ชาคาวโรวัฒนาปะพงลำลูกกาคลองศิษนะคะนำ้ำมศการคะท่านคะเรลยพรเช้าวันนี้เราก็มา ใช้เวลาสั้นๆทําความเพียนเผากิเลสกันแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์ทุกคนพึงแสวงหาคือแสวงหาเมฆผลนิพพานที่ที่ไม่มีความเกิดความแก่ความตายด้วยการมาเจริญอาณาปนานสติรับความเพลินในอารมณ์และมาสั่งสมพุทธวจนะคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันได้เลย เรามาเจริญอาณานปณสติตามแบบที่พระผุทธมีพระภาทเจ้าบอกสอนไว้คือเมื่อเราไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เืินว่างก็ตามถ้าองค์ให้เรานั่งคู่ขาเข้ามาหนยรอบตั้งกายตรงดารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้ หายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าและหายใจออกทำกายยักษสังขารคือความปรุงแต่งทางกายให้รำงับอยู่หายใจเข้าและหายใจออกหากจิตลอไปคิดในเรื่องใดก็ตามความสุขความทุกข์อดีตอนาคต พระองค์ก็ให้เราไรีวางความคิดนั้นเสียเรียกว่าการละนันที่หรือการลับความเพลินแล้วให้เรากลับมามีสติและลืรู้อยู่กับลมหายใจของเราพรงแต่ว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมได้ชื่อว่า เป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรพอกิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำความยินดีและความยินร้ายในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นวันนี้ก็จะนำพะสตรเรื่องที่ว่าพระองค์บอกว่ามรกมีองแปดหรืออริยะอัดทางคีมรกนั้นเป็นทางที่ประเสริฐที่สุด โดยที่พรงค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทางมีองค์แปดเป็นทางอันประเสริฐกว่าทางทั้งหลายบทแห่งอริยสัจสี่ประเสริฐกว่าบททั้งหลายวิราคธรรมประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลายผู้มีพุทธจักสุขประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลาย นี่แหละทางเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะทางอื่นมีได้มีเธอทั้งหลายจงเดินตามทางนั้นอันเป็นที่หลงแห่งมารเธอทั้งหลายเดินตามทางนั้นแล้วจากระทำที่สุดแห่งทุกได้ทางเราบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายเพื่อรู้จักการถอน คงลูกศรความเพียรเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทำตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอกผู้ม่วงปฏิบัติแล้วย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้น เขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางเพื่อความหมดจด เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อนายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดหนังนี้นี่ก็คือพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามรรคมิองแปดนั้นเป็นทางอันประเสริฐ ซึ่งพระองค์ก็มุ่งหวังให้เราเดินตามด้วยการประพฤติปฏิบัติซึ่งเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติมุ่งเดินตามแล้วก็จะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารได้นั่นคือพ้นจากความแก่เจ็บตายได้นั่นเองวันนี้เราก็ทําความเพียรมาสมควรแก่เวลาเดี๋ยวอาทิตหน้าเรามาเจริญอาณาปานสติและสังสมพุทธวจนะกันต่อวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ค่ะ สัปดาห์หนึ่งก็ได้ห้าบทนะคะสำหรับพระสูตรของพระพุทค์นั้นสัปดาห์นี้ว่ากันไปเต็มๆ เ, เ, เกี่ยวกับเรื่องของอริมรักมีองค์8ท่านมาค่ะยังไงก็คงจะต้องนัดท่านฟังทั้งหลายอย่างที่ท่านได้กล่าวไปแล้วนะคะวันนี้นมรสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ